พระธรรมเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สมกราคม2559มีชื่อเรื่องว่ามาศึกษาตาต้องดูหูต้องไว นักนากสองคนที่จะบวชถ้าหากว่าจะบวชวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็จะไกลเกินไปมั้งนะให้ทำถามดูแต่หลวงพ่อมีภาระธุระจะลงไปกรุงเทพช่วงหนึ่งก็คงเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไหมว่างทาจะบวชก่อนได้ไหมดูดูนะับวันที่เจ็ดนะ วันที่เจ็ดจะได้ไหมถ้าวันที่เจ็ดไม่ได้เราก็เลยกว่านั้นไปอีกถ้าจงการเสาวันทิศมันก็ต้องอาทิตย์ต่อไปอหรือว่าจะบวชก่อนในขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ได้นะแต่สุดแท้แต่ความสะดวกไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่ก็บวชไม่ได้ไม่ใช่แต่หลวงพ่อ ภาระที่จะต้องไปเสาอาทิตย์วันนั้นให้ลูกหลานจัดการบวชทางนี้ก็ได้แต่ปรึกษากันนะแต่ที่ยังไงต้องถามพระอุปชาอุปชาว่างไหมเท่านัะเพราะว่าเลยจัดการบวชเลยบวชวันถ้าต้องการเสาอาทิตย์นะแต่หาว่าไม่ต้องการเสาอาทิตย์ก็ถ้าพร้อมแล้วก็บวชได้อ๋อ วันที่ถ้าจะให้หลวงพอ่อก่อนหลวงพ่อออกไปวันที่เจ็ดนะแต่หลวงพ่อคงจะเดินทางลงไปสองสามวันเหมือนกันน่ะเพราะนั้นภาระสาธารณกิจของหลวงพ่อนมั น, ะนเอาเอาแน่เออนอนไม่ได้หนะลวงพ่อไปไปม า, มาจะให้อยู่กับที่ไม่ได้ ตางความเหมาะสมวันพุงนี้ผมจะได้ลงไปทางลบปุรีอีกก็คงไม่นานเพียงคืนเดียวก็กลับทางผ อ, อโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลลบปุรีนี่มลหลวงพ่อเขาคงจะได้ลงไปกับคณะสง รวมแล้วเก้ารูปนะวันนี้เป็นวันที่สี่วันที่สี่มกราคมพุทธศักราช25 5พ้าห้าสบปีใหม่มาได้สี่วันเนี่ยเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับนาคผู้ที่จะบวชก็ให้พระผี่เลี้ยง ช่วยๆกันดูความเหมาะสมถ้าจะให้หลวงพ่อรอหลวงพ่อก็ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดก็เป็นที่เข้าใจถ้าไม่รอหลวงพ่อหลวงพ่อไปธุระพวกท่านทั้งหลายจะจัดการบวชเลยก็ได้ถ้ามันพร้อมที่จะบวชแต่จะยังไงให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยบวชบวชแบบสุกเอาเผากินท่องเอศหังก็ยังไม่คล่อง ทำอะไรก็ยังไม่ได้จะบวชเอาเลยไม่ได้อันนั้นเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดอย่าทมพระในวัดของเราอย่าทำนี่เละให้พระผู้นำพี่เลี้ยงช่วยๆกันดูการบวชไม่ใช่บวชแบบง่ายๆแบบสุกเอาเผากินไม่เอาต้องถูกตามหลัก พ, พระธรรมวินัยเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของหลวงพ่ออิน ไม่ใช่ของศาสนาของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นศาสนาพุทธพุทธตั้งกฎกติกามายัางไรพวกเราต้องเดินตามแนวแถวพุทธพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดกฎหมายอย่างไรพระวินัยคือกฎหมายถ้ามีกฎหมายอย่างไรพวกเราก็ปฏิบัติตามตามนั้น จะให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายดูนะแล้วก็พร่าใหม่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกท่านทั้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้ว อ, อตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดไม่ใช่มาเข้าบวชมาตามทำตามอำเภอใจทำตามมัท t าใจจะทำอะไรก็ทำมันไม่ใช่ไม่ใช่บวชบวชเข้ามาแล้วก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ พระสงฆ์ครูบาอจารย์ท่านทําอย่างไรเราต้องตาให้ดูไม่ใช่ว่าเดินเดินไปจนจะโค้งบ้านแล้วตัวเองเกินปิ้นท บ, บาทอย่างตุมเตี้ยมตุ่มเตียมอยู่ทั้งที่เป็นพระน้อยพระหนุ่มหลวงพ่อนะอายุถึงเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเดินขนาดไหนเราต้องดูสิทําไมไม่สังเกตเพียงแค่นั้นนะไม่ใช่ผู้มาศึกษาและก็พระพี่เลี้ยงพระรุ่นพี่เหมือนกัน ง่เซอร์อีกเหมือนกันทำไมพระรุ่นน้องรุ่นเก่าเข้ามาแล้วเดินตุวมเตียมอย่างนั้นก็ให้ไปสายอื่นสิอย่าไปให้มาสายหลวงพ่อสิจะให้หลวงพ่อหนักใจทำไมคิดไม่ได้แล้วพวกพระรุ่นพี่ดูสิให้มันคล่องแคล่วดูมันอะไรผิดปกติก็ต้องบอกกล่าวหรือไม่กล้าบอกอย่างนั้นเหรอ ถ้าไม่กล้าบอกหลวงพ่อจะไล่พระพวกรุ่นเก่านี่ไม่มีหัวเลยไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถในการที่จะบอกกล่าวพระใหม่ได้อยู่ทำไมมันโง่เสิร ถ, ถึงขนาดนั้นต้องบอกสิองไหนที่มันทาไม่ตัวไม่ดีบอกถ้าบอกไม่ฟังให้บอกหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่เป็นเจ้าของเป็นผู้รับพระทั้งหมดพระรับพระลูกพระหลานเข้ามา เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เนะี่ยไม่ใช่รับมาเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะอไม่รับไม่ใช่หลวงพ่อรับมาเป็นอาจารย์หลวงพ่อนะนับมาเป็นลูกศิษย์นะพวกลูกศิษย์ก็ต้องเดินตามต้องเดินตามแนวปฏิปทาของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เดินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกที่หนึง่งไม่ใช่ทำทาตามอาเภอใจท ำ, ท, ำทำอธรรมตามมัธาใจนะ เ, าเพราะนั้น เห็นใครก็ตามนะพระลูกหลานองไหนก็ตามไม่คล่องแคล่วตุ่มเตียมไม่ได้ต้องให้ไปสายอื่นมันต้องมีทั้งสี่สายนะทําไมจะไม่มาตามหลังเราอ่ะผู้ที่ตามหลังเราต้องคล่องแคล่วเราต้องทำตามให้ทันมองตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดอยูแบบไม่คิดไม่อ่านไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาพุท ธ, ธ พุทธศ า, าสนาต้องใช้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรการอย่างนี้เป็นยังไงสถานที่เป็นอย่างนี้เป็นยังไงบุคคลคนนี้กลุ่มนี้เข้ามาและปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ะให้รู้จักการสถานที่บุคคลเพรา ะ, ะนั้นบวชเข้ามาไม่ใช่บวชเข้ามาแบบอยู่เออละเหยมาหาความสรวกสบายไม่ได้นะ เข้ามาเพื่อการศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้พระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติทำตนอย่างไรหลักพระธรรมวินัยควรจะศึกษาอะไรจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของพุทธนะนี่คืออะไรกฎระเบียบก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนนะั้นคืออย่างไรนี่แหละไม่ว่าข้าราชการกลุ่มไหนไม่ว่าชุมชนกลุ่มไหน บริษัททางร้านไหนไม่ว่าข้าราชการอยู่ในผแผนกไหน ต, ต้องมีกฎต้องมีกติกาต้องมีกฎหมายต้องมีหัวหน้าต้องมีลูกน้องควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้พุทธศาสนา เ, นเป็นขแขนงหนึ่งสำหรับให้สำหรับพวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เมื่อเข้ามาเรียนแล้วทำอย่างไร ปรับปรุงแก้ไขตัวเองยังไงไม่หมายใช่เรายกให้วันสองสามวันแรกยังไม่รู้เนี่ยถ้าต่อไปยังนานๆอีกก็ยังต้มเตียมอย่างเก่าอีกเป็นอาทิตย์ก็ยังต้มเตียมใช้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้ขามาศึกษาไม่พัฒนาตัวเองเลยแล้วจะอยู่เพทําทำไงอยู่รถหนักหนักวัดนะเพราะนั้นในพวกท่านทั้งหลายคิดนะ หลวงพ่อบอกบอกกล่าวแล้วบอกพระกล่าวด้วยอกล้าบอกพระใหม่ต้องบอกเอบอกด้วยความเจตนาดีถ้าไม่ฟังบอกมาองไหนบอกด้วยเจตเจตนาดีไม่ไม่ฟังแล้วบอกมาแล้วถ้าหาว่าไม่หมอกก็ให้บอกรุ่นพี่อองค์ที่นั่งที่เป็นหัวหน้ารองลงไปให้บอกคู่บานเลให้ไปบอกพระอ ให้บอกพระด้วยเนะี่ยพระก็จะได้บอกรุ่นพี่ก็จะได้บอกรุ่นน้องต่อไปเนี่ยหละพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะคอยฟังแต่หลวงพ่อองค์เดียวกดระเบียบพรหลวงพ่อสั่งไว้แล้วเนะี่ยทุกองค์ที่เขามาศึกษาเป็นสิบเกือบสิบปีก็มีสิบกว่าปีก็มีมาอยู่ที่นี่ก็รู้เรากดระเบียบคืออะไรในเมื่อรู้กฎระเบียบแล้วองกันนะ ต้องถ่ายทอดให้แก่วพวกน้องๆที่เขามาศึกษาอันนี้คือกฎอย่างนี้หลวงพ่อท่านไม่ต้องการนะท่านไม่อยากจะเห็นนะท่านต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะอย่าทำอย่างนี้นะไม่ได้นะถ้าบอกแล้วไม่ฟังหลวงพ่อครับผมบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังครับนั่นแหละหลวงพ่อจะได้รู้ทำไหมรุ่นพี่บอกแล้วทำไมไม่ฟัง คือกดและเบียบคือหลวงพ่อได้สั่งไว้แล้วไม่ใช่จะออกจากปากหลวงพ่อเจ้าก่อนพวกท่านทั้งหลายจึงปฏิบัติตามไม่ใช่ อ, อพอรุ่นพี่ได้ศึกษามาแล้วนะเราเจออยู่กับองค์หลวงตามหาบัวหลวงตาสั่งคําไหนท่านไม่ได้สั่งทุกองคหรอกพระก็สิบยี่สิบสามสิบองค์เพื่อสั่งองค์เดียวท่าน่ะให้ประชุมนะวันนี้เ อ, อ องนี้ก็วิ่งบอกหมู่ไปชมไปชมไปชมไปชมไปอมเลยจะวอาโว้ยผมไม่ได้ฟังจากท่าน่ะผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อท่านหรอกไอ้อย่างนั้นหรอเออเวลาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเราทําอย่างนี้นะท่านบอกองเดียวท่านนะองนั้นก็บอกบอกบอกเออหรือว่าท่านถูกองไหนอย่าทำอีกนะอย่างนี้นะองนั้นก็ต้องไปบอกหมู่อีก เอถ้าว่าองค์ไหนไม่ได้ฟังจากท่านซะก่อนผมไม่ปฏิบัติหรอกนั่นแหละองค์นั้นแหละท่านจะไล่นิจอกจากวัดทันทีใครองค์ไหนฮหมันรื้อด้านเหรออมันมาศึกษาหรือมันมาอะไรทาไมอตามันไม่เห็นเหรอหูมันไม่ได้ยินเหรอใจมันไม่คิดเหรอมันมาเพื่ออะไรอมันมาขวางเลยเนี่ย มันขวางต้องไล่ออกยาวัดมาขวางทําไมพุทธศาสนามันไม่ใช่นั่นนะเกกะเด่นเดนนันดานได้อย่างไรมาต้องตาหูดูตาดูหูฟังใจคิดมันจึงจะถูกนั่นนะ่ะคือผู้มาศึกษาเนี่ยแหละพวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะอือยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามอย่าให้ท่านหนักใจเขามาเข้าเราเข้าไปเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้เราไปศึกษากับท่านไม่ใช่ไปไปทำให้ท่านศึกษากับเรานะเให้ท่านศึกษากับเราใช่ไหมเราพาดึงลากลงอย่างนั้นใช่ไหมมันมีต่กี้เลสไงถ้าอย่างนั้นองค์นั้นลากลงองค์นี้ลากลงแล้วจะเป็นกฎระเบียบได้อย่างไรถ้าพูดจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดรูปหน้าป่าจมูกเกรง อ, อกเกรงใจทำไม่ไม่มีการเกรงใจใคร ทำคือทำวินัยคือวินยัยถ้ามันผิดเราคือคือผิดการเดินมีธรรบาดอย่าห่างกันเกินไปประมาณสามเก้าตัวเองช้าเร็ยเร็วรู้ไหมหรือไม่รู้ขนาดลูกไม่ทันขนาดนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้มาศึกษาเดินเกือบจะโค้งบ้านแล้วกย็ยังเดินตามไม่ทันอีกมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกนะ พวกเราท่านทั้งหลายบอกกันนะให้ศึกผู้เข้ามาศึกษาต้องบอกกันนะอันนี้แหละลือหลักธรรมวินยัยกฎระเบียบของพระที่อยู่ด้วยกันพระวินัยของพระนะเดินให้สำรวมอย่าไปหมกเดินเถอะไปข้างหน้านะเหมือนกับเราไปหาเข้าไปป่าตรงไปหา เก่งหากวางเาเป็นพระต้องอยู่ในท่าสำรวมสำรวมขนาดไหนสำรวมมองไปข้างหน้าสามเก้าสามแอร์ขอสามแแอร์ขอคือสามเก้าประมาณสามเก้าให้ตาทอดลงเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านทั้งไปด้วยทั้งนั่งด้วยในบ้าน ไม่ใช่ว่าไปแล้วไปถึงนั่งโลกเล่กเ ล, เลมองขือ่อมองเพดานคนหนึ่งเราเป็นพระต้องสํารวมเราจะมีตาสํารวมไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่เดินกระโยงเท้าเข้าไปในบ้าน มันมีพระวินัยของพระพุทธเจ้าไว้หมดนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาในวินัยถ้าพิภพิษุมีวินัยอยู่ด้วยกันมากน้อยร่มเย็นเป็นจุกทั้งหมดที่มันทะเลาะวิวาทกันก็คือมันไม่เข้าใจกันคือออกนอกดูนอกทางออกนอกพระวินัยนั่นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกทกท่านนะทุกองนะหลวงพ่อก็อยู่ในพระวินัยเหมือนกันไม่ได้ออกนอกเหนือจากวินัย ไม่ออกไม่ได้ออกนอกเหนือจากศิลศิลและวินัยศิลคือวินัยวินัยคือศิลศิลคือกฎหมายคือกฎระเบียบของพระแต่ทางโลกเขาว่ากฎหมายแต่ทางวินัยทางพระเนียก็อวินัยหรือศิลศิลและวินัยเพราะวินัยของพระหรือศิลของพระจะว่าศิลของพระก็ได้ศิลสองร้ยยีสิ็ดวินัย วินัยของพระ227ยนะหรือกฎหมายของพระ227ยนะ็มันพูดได้ทั้งนั้นแหละก็คือความหมายคือกฎระเบียบการเป็นอยู่ด้วยกันให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนั้นก็คือสิน227ยี่สิินอภิสมาจารีกปีกย่อยอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษา ถ้าไม่รู้ก็ต้องบอกกันองค์ที่รู้นะบอกถ้าเมื่อบอกแล้วเนะ่ยยังปฏิบัติตามนะแปลว่าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยรู้แล้วยังไม่ปฏิบัติตามอันนั้นผิดวินยัยพอรู้แล้วเพราะฉะ น, นั้นในพวกเราศึกษานะพกเข้ามาศึกษาในกฎกติกาใดเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกานั้น เราเราไปประเทศไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศนั้นเขา ต, ตัดสินคดีความอย่างไรเราก็เมืองไทยทําไมไม่เข้มงวดกวดขันกันนะทําไมประเทศของคุณทําไมเอจึงเข้มงวดขนาดนี้นะเอประเทศของเขาอันนี้คงเหมือนกันพระศาสนาเนยกฎระเบียบของพระศาสนาเมื่อเราเข้ามากฎกติกานี้ เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกานี tricked, ่กฎกฎกติกาของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาในกฎกติกาของพระพุทธศาสนาอแล้วไปเดินโต๊ะตเตะเตได้ยังไงเราเป็นพระอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยนะอ่มีผ้าเหลืองสีสักกปรงอีกต่างหากเราจะไปเดินมุดซ้ายมุดขวานเออ เดินมุดหน้ามุดหลังอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้เลยเราเป็นพระเราต้องดูว่าเราเป็นพระเราจะเดินยังไงเราจะไปยังไงสัมมะสารูปถึงจะเหมาะสมถูกต้องการเดินการอยู่การไปการมาการฉันไม่ใช่ชาวบ้านเขาเดินไปแล้วก็ดูดกาแฟไปตามถนนพระก็ปฏิบัติตามมันไม่ถูกนะอย่างนั้นทำได้ยังไงพาะวินยัยทาไมไม่ดู ทำให้ศาสนาเสื่อมน่ยไม่ให้ศาสนาเสื่อมไม่เสื่อมมันพวกเราทั้งนั้นแหละพราะพุทธเจ้าบอกท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะทําให้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมคือพุทธบริษัทสี่นี่แหละถ้าพุทธบริษัทสี่ภิกษุสั ม, มเนนไม่อยู่ในกฎกติกาไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทําอะไรตามอําเภอใจทําตามอัธถาใจศาสนาของเราก็หมดไปเสื่อมไป อุบาสกอุบาสิกาก็ตามไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษทำดีไม่ไดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่มีศีลห้าทำตามอำเภอใจทําตามอัธถัยใจที่อยากจะทําไม่ครบในศีลของตนเองในอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพุทธศาสนาก็หมดอีกเหมือนกันมันหมดที่ไหนมันหมดจากหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาหมดศาสนาเหมือนมีอยู่ เหมือนกับดินฟ้าอากาศอากาศมันมีอยู่แต่เราไม่สูบลมหายใจเข้าแนละ้เราก็ตายนะไม่ใช่อากาศมันหมดนะมันอากาศมันมีอยู่อแต่เราไม่สูบลมเข้าไปในปอดของเราแล้วนะมันไม่ใช่อากาศหมดไม่ใช่พุทธศาสนาก็เหมือนเหมือนอากาศนะมีอยู่อแต่พวกเรามันไม่สูบลมหายใจเข้าออกนะไม่ปฏิบัติตามอมันก็หมดสําหรับเรา พุทธศาสนาก็ยังมีอยู่คุณงามความดียังมีอยู่ไฟจับไฟจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้นเ พ, เพราะอะไรพราความชั่วจับเวลาไหนก็ร้อนน้ําจับเวลาไหนก็เย็นเป็นเสียแต่น้าร้อนน้ําร้อนก็นไปต้มน้ําัวก็มันร้อนน่ะสิเพราะนั่นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะานทางนี้ทั้งนั้นอหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้ามองเห็นพระเนน กลุมกุ่มกำกำตุมตุมตามตามนะเตียมเตี่ยมไม่อยู่ในกฎระเบียบหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าไม่สบายใจนะพอหลวงพ่อเนี่ยฝึกมามาจากไหอฝึกมาจากครูบาอาจารย์ฝึกมาจากไงหลวงพ่อจะต้องนาแนวฝึกของหลวงพ่อมาฝึกลูกน้องอีกลูกน้องจะทําออกนอกลูกนอกทางไม่ได้ถ้าหลวงพ่อเห็นนั่นแห ต้องให้ออกจากวัดทันทีไล่ออกจากวัดอยู่ทําไมอยู่แล้วมันขวางว น, นั้นพวกท่านทั้งหลายนะอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะรักศีลอย่งกว่าชีวิตนะในหลักธรรมคำสอนของพุทธะไอ้พวกเราต้องรับรักกฎกติกากฎระเบียบไอ้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าพวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะอยู่นัดจตฐานที่ใดก็อยู่เถอะไม่อดไม่อยาก ไม่ทุกไม่จนออการอยู่ด้วยศีลด้วยธรรม เ, ออเทวดามุกมนุษย์มาเห็นเทวดาเห็นเออพราะอะไรพอเราอยู่ในศีลด้ธรรมอดก็อดในศีลด้ธรรมมีก็มีแบบศีนแบบธรรมให้อยู่ในกฎกติกาของพุทธเป็นสากไกบุตรพุทธชินนรสแล้วนะสบายใจนะะพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทายทุกอง์นะ ถ้าถึงพ่อพูดว่าเนี้เหมือนกับเข้มข้นเข้มแข็งแต่ตามไม่จริงถ้าไม่ขันเกลียวเข้าไปสักหน่อยเมืนอก็อ่านมันหย่อนตรงเต่งเกินไปมันจะหย่อนไปเรื่อยๆถ้าหลวงพ่อต่อไปเมื่อหลวงพ่อเท่าแกชรากว่านี้ น, ะนั่นแหละข่าวนั้นแหละมันจะจกตากันกินลูกศิษย์ลูกหามันเคยมีนะม่อหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วเมื่อครูบาอาจารย์หมดสภาพ ไม่ได้แนะนําสั่งสอนไม่ดูดาว้ากล่าเนี่ยแหละลูกศิษย์นั่นนะมันมีทั้งโลงหมัดลงมวยมวยฝีปากกันกัดกันดะเาเหมือนกับหมาบ้านะมันมีอย่างนั้นนะอครูบาอาจารย์เอไม่ได้นะนหมดหมดสภาพคือท่านท่านก็รู้ทั้งโกรธแต่มันพูดไม่ได้ท่านแก่แล้วนะจะทำยังไงอแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ทัทั้งที่ได้เรียนได้ศึกษามาแล้ว จากครูบาอาจารย์จากท่านมาแล้วก็รู้แล้วอันไหนเป็นอันไหนแต่มันยังดื้อด้านกิเลสในจิตในใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตใจออกมากัดกันนัวเนียไปหมดบางทีกัดต่อหน้าต่อท่านอีกตัดกัดต่อหน้าต่อตาท่านอีกต่างหากท่านก็พูดไม่ได้จะทำไงมีแต่นั่งตาเลือกโยแผลบผับถ้าข่ายัง อายุยังหนุ่มฆ่าจะไล่มันหนีทั้งหมดจะคิดในใจเพียงแค่นั้นแหละจะทำยังไงได้พอท่านแก่แล้วนะเนี่ยเราหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่แหละจึงเข้มเ ข, ข, ข, ข้มงวดกวดคันพูดไว้ก่อนให้พวกท่านทั้งหลายฟังไว้ก่อนฟังไว้ที่หลวงพ่อพูดต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้ว เคยผ่านมาแล้วในจุดนั้นถึงยังไงพวกเราได้มาศึกษาได้เรียนรู้อันไหนเป็นอันไหนอันไหนเหมาะอันไหนสมอันไหนควรต้องการอะไรคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าตัวเองคิดว่าตัวเองจะตายเป็นอยู่ก็น่ะควรจะประกอบคุณงามความดีอันไหนดีรู้ไม่ดีถ้าไม่ลังไม่รู้ก็ทั้งดีแล้วไม่ดีไม่ดีไม่รู้รว่าดีรู้ชั่วแล้วนะจะ จะสอนกันได้ยังไงจะรู้กันได้ยังไงถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้ทั้งทั้งดีคิดดีนะาทำยังไงทำดีนะาทำยังไงโทษดีนะาทำยังไงคิดชั่วทำยงไงทำชั่วเป็นยังไงพูดชั่วเป็นยังไงถ้าเรารู้จักดีชั่วแล้วนะเราจะวางตัวถูกนะถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็นั่นแหละเออมันดันทุลังไปเรื่อย กิเลสเนี่ยมันดันทุลักมันไม่ยอมฟังคำคำของใครทั้งหมดอ น, น, นะกิเลสนะเอ่ยว่ากิเลสกิเลสเนี่ยราคะโทสะโมหะมัอยู่ในจิตใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆุท่านนะเรามาตัดกิเลสมาชําระกิเลสไม่ใช่เหรอมาเลยเราไม่ใช่มาส่งเสริมกิเลสนะามาตัดกิเลสนะมาชําระกิเลสนะเพราะนั้นในพวกเราดูจิตใจของพวกเรานะทุกๆท่านนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระทั้งคณะวาสศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะนำไปคิดที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าลวเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร